เสียงอ่านหนังสือปฏิปฏิวิพังหนึ่งในห้าบทความถามตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งถูกรวมไว้ในหนังสือที่ได้รับความนิยมมายาวนานภายใต้ชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติโดยระบุว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก่อนที่ภายหลังจะมีหลักฐานชี้ชัดนะครับว่าทั้งหมดมาจากบทความธรรมะห้าเรื่องที่เขียนโดยแม่ชีคุณหญิงดารงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริ หนังสือชุดนี้ได้รับความนิยมและพิมพ์เผยแพร่ไปจํานวนมากโดยที่พระผู้ทรงทำต่างกล่าวสรรเสริญถึงความลึกซึ้งในคําสอนชุดนี้ท่านผู้สนใจฝ่าธรรมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสควรหาอ่านหรือฟังให้ครบทั้งห้าเรื่องนะครับอาจดูยากไปบ้างสําหรับผู้มาใหม่ถ้ายังไม่เข้าใจให้ฟังผ่านๆไปก่อนมีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ําไปซ้ํามาจะเข้าใจได้มากขึ้นไปตามลําดับนะครับแต่ถ้าหากยังไม่เข้าใจได้จริงแนะนําว่า ควรสละเวลาศึกษาพุทธธรรมจะบับหับขยายซึ่งจมรพผลดีกำลังจัดทำอยู่จะเป็นการปูพื้นเพื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นขั้นตอนได้เข้าใจองค์รวมศัพที่เกี่ยวข้องรู้หลักสำคัญที่จำเป็นให้ได้ครบก่อนพอมาศึกษาคำสอนครูบาอาจารย์หรือแม้แต่อ่านพระไตรปิฎกก็จะทาให้เข้าใจได้ง่ายและตรงทางมากขึ้นนะครับสาหรับคาว่าปฏิปฏิก็คือปฏิบัติในภาษาไทยนะครับ ตัวอย่างเนื้อหาภายในของปฏิปฏิวิพังความดําริผิดกรรมให้สร้างเหตุแห่งทุกข์ธรรมะที่บรรพชิตควรพิจารณาทุกวันความต่างของนิพิธากับความยินร้ายความเห็นผิดว่ากิเลสเป็นมักลักษณะของนิพิธากับเนคขมะสังกปโปะความต่างของเมตากรุณากับความรักความต่างของอวิชากับโมหะ จิตตานุปัสนาความรู้จักกิเลสกิจในอริยสัจการเห็นทุกชั้นสมถะกับชั้นปัญญาทุกขาอริยสัจกับทุกข์ในไตรลักษณ์วิธีพิจารณาไม่ให้ติดในอารมณ์ความต่างของการเห็นอนิจจังเห็นทุกขเห็นอนัตตาเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยครอบครัวคงคาสุวรรณ ร่วมโดยเยาวลักษณ์คงคาสุวรรณเพลนพิษพระโพและอรวรันจตุรัตวัฒนากูลขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันนะครับสภาัทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง